ปัญหาที่ห้าถามเรื่องบรรพชาครั้งนั้นพระนาคเสณเถระก็ได้เข้าไปสู่พระราชนิเวทของพระเจ้ามิลินขึ้นสู่ปราสาทแล้วนั่งลงบนอาสนะที่เขาจัดไว้พระเจ้ามิลินก็ทรงเรียงดูพระพิสุสงด้วยพระองค์เองเสร็จแล้วจึงถวายผ้าไตจีวรคันพระนาคเสนของไตจีวรแล้วพระเจ้ามิลินจึงตัดขึ้นว่า ขอให้พระผู้เป็นเจ้านาเคเซนจงนั่งอยู่ที่นี้กับพระภิกษุสิบรูปพระภิกษุผู้เฒ่าผู้แก่นอกนั้นขอนิมนต์กลับไปก่อนเมื่อพระนาเคเซนฉันพัตาหารเช้าเสร็จแล้วพระเจ้ามิลินจึงตัดขึ้นว่าข้าแต่พระนาเคเซนเราจะสนทนากันด้วยสิ่งใดดีขอถวายพระพรเราต้องการด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์ขอจงสนทนาด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์เถิด ข้าแต่พระนาค เ, เซนบรรพชามีประโยชน์อย่างไรอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดของพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรบรรพชานี้เพื่อจะให้พ้นจากความทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกการเข้าสู่พระนิพพานเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดของอัตตมาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า บุคคลทั้งหลายบรรพชาเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานทั้งนั้นหรือเหตุของผู้บวชขอถวายพระพรมหาพพิษพระราชสมภารคนทั้งหลายไม่ใช่บวชเพื่อพระนิพพานด้วยกันทั้งสิน้นคือบางพวกก็บวชหนีราชภัยวงเล็บเปิดพระราชาเบียดเบียนใช้สอยวงเล็บปิดบางพวกก็บวชหนีโจรภัย บางพวกก็บวชเพื่อคอยตามพระราชาบางพวกก็บวชเพื่อหนีนี่สินบางพวกก็บวชเพื่อยศศักดิ์บางพวกวพ ก, พวก็บวชเพื่อเลี้ยงชีวิตบางพวกก็บวช ด, ด้วยความกลัวภัยบุคคลเหล่าใดบวชด้วยชอบบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าบวชเพื่อพระนิพพานขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินทรงสักถามต่อไปว่า ก็พระผู้เป็นเจ้าเล่าบวชเพื่อพระนิพพานหรือพระเทระตอบว่าอัตมาภาพบวชแต่ยังเป็นเด็กยังไม่รู้เรื่องว่าบวชเพื่อพระนิพพานนี้ก็แต่ว่าอัตมาคิดว่าพระสัมมาณะที่เป็นสักยะบุตรพุทธชินโนรสเหล่านี้เป็นบัณฑิตจักต้องให้อัตมาภาพศึกษาอัตมาภาพได้รับการศึกษาแล้วจึงรู้เห็นว่าบวชเพื่อพระนิพพานนี้ พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้วปัญหาที่หถามเรื่องปฏิสนธิวงเล็บเปิดเกิดวงเล็บปิดพระเจ้ามิรินตัดถามว่าข้าแต่พระนาเกษนผู้ที่ตายไปแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกมีหรือไม่พระนาเกษนตอบว่าคนบางจําพวกก็กลับมาเกิดอีก บางจำพวกก็ไม่กลับมาเกิดอีกใครกลับมาเกิดอีกใครไม่กลับมาเกิดอีกผู้มีกิเลสยังกลับมาเกิดอีกส่วนผู้ไม่มีกิเลสไม่ต้องกลับมาเกิดอีกก็พระผู้เป็นเจ้าเราจะกลับมาเกิดอีกหรือไม่ถ้าอาตมาภาพยังมีอุปทานคือการยึดถืออยู่ก็จะกลับมาเกิด ถ้าอัตมภาพไม่มีการยึดถือแล้วก็จักไม่กลับมาเกิดอีกถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้า